ขอความสุขความเจริญทังมีแท่านสาธารชนทั้งหลายการบรรยายประสุทธ์ในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของชาดกอีกเช่นเคยเพราะว่าเราในชาดอกนั้นเราได้สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือบทคติธรรมที่เป็นสุภาษิตซึ่งมีการพูดการกล่าวกันในที่นั้น เรื่องที่สองก็คือลีลาชีวิตซึ่งเป็นไปตามความนึกคิดที่ประกอบด้วยกุศลบ้างกุศลบ้า ง, างมันก็มีเจตนาแล้วมีกรรมแล้วมีผลของกรรมแล้วคือธรรมะที่ผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาแล้ว และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเราไปได้เรื่องกฎของสังสารวัติความเกี่ยวข้องผูกพันกันระวังคนนั้นกับคนนี้คนโน้นทำไมยิ่งเกี่ยวข้องกันทำไมคนนั้นยังเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีภูมิหลังที่ย้อนอดีตไปได้ไกลๆชาดกเรื่องต่อไปชื่อว่าจุลลนารทชาดก น, นารทะกสปะชาดก เป็นการประลบถึงพิกษุนหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งโดยเจตนาเดิมจริ ง, รงๆตั้งใจจริงๆก็ต้องการจะดำรงมั่นคงอยู่ในศีลปรมาจักรเรียกว่าตั้งใจบวชตลอดชีวิตเนี่ยนะแต่ก็มีเหตุแปรผันบางเกิดขึ้น คือท่านไปถูกถูกแผนดวยวนมาจากข้างนอกก็โดยใจความก็คือว่าที่บ้านที่บ้านแห่งหนึ่ ง, งก็มีลูกสาว่ายสิบห้าสิบหกซึ่งในยุคสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นยุคที่ต้องแต่งงานแล้วนะฮะ แล้วก็แม่ก็มีความเดือดร้อนใจที่เห็นว่าลูกสาวเรโตโจนป่านนี้แล้วยังไม่ได้แต่งงานคือมาก็พยายามดูตรงนี้ว่าตัวเลขมันผิดหรือเปล่ามันทำไมสิบห้าสิบหกจึงเรียกว่าสาวเถื่อมันดูยังเด็กได้เกินเนี่ยเราก็รู้ตัวเลขมันไม่ผิดมันเป็นความเชื่อแต่นั่นเองเป็นความเชื่อของยุคสมัยนั้น เราจะเห็นว่ามาตมาคันธีมันก็แต่งงานอายุทศเจ็ดขวบเป็นสังคมของอินเดียเราก็สืบต่อกันมาก็แปลกว่าเป็นพันๆ ป, ปีพันกี่าปีก็สืบต่อกันมาอย่างนั้นแต่นี่มันก็ทำอย่างไรว่าคือเป็นปัญหาของคนคนในยุคโบราณนะแล้วก็มันไปเกิดคล้ายกับปัญหาคนอินเดียในปัจจุบัน แต่รลรู้ข่าววันก่อนที่ว่าก็มีลูกสาวสี่คนเนี่ยไม่สามารถแต่งงานลูกสาวได้เลยผููคอกระโดดแม่น้ำของขาดตายเลยทีเดียวนี่จะเดือดร้อนมากเรื่องลูกไม่ได้แต่งงานเนี่ยมันก็น่าตั้งปัญหาถามว่าทำไมจึงเดือดร้อนน่ยมันก็เดือดร้อนเพราะว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของความเชื่อที่ว่าคนเราเมื่อตายไปแล้วถ้าไม่มีลูกหลานนะนะที่จริงเมื่อก่อนมันเอาลูกนะปรากฏว่าบางทีลูกมันไม่มีพวกนี้ก็เลยพยายามอธิบายแต่ใหม่ว่ามันสามารถจะมีลูกได้หลายประเภทคือลูกซึ่งเกิดจากตัวเอง ลูกที่เกิดจากพัญญาหมายความว่าสามีคนก่อดมาพัญญานะครับลูกที่ราขอมาเขามาเป็นลูกคนธรรแล้วก็ลูกเคลื่หลานนี่มาเลี้ยงเป็นลูกเคลื่อนหลานนี่มาเลี้ยงเป็นลูกซึก็รวมกับลูกตัวเองด้วยก็เป็นห้าประเภทพวกนี้จะมีบทบาทสําคัญในการ ทำทักษินาโนปาทานกุติบุญกุศลให้แก่ตัวเองในเปตโลกคือเปตโลกพูดบาลีว่าเปตโลเพราะไอความรู้สึกเหล่านี้เราก็มองดูว่าที่จริ ง, ง, อ ง, อ ม, ง, รงมันก็นึกถึงตัวเองอยู่มากกว่าร่ำควรนะนอกจากจะห่วงลูกแล้วมันก็นึกถึงตัวเองอยู่มากกว่าร่ำควรว่ากลัวตัวเองจะไม่มีใครทาบุญให้เวลาตาย ว่าคนไหนจะทําบุญให้ได้เนี่ยต้องเป็นผู้ชายนะฮะความเชื่อในยุคนั้นนะไม่ไม่ใช่ความเชื่อในยุคนี้แต่ไม่ใช่ความเชื่อในพุทธศาสนาเะงันก็มีการดิ้นรนแต่แกก็ดิ้นรนแรงไปหน่อยนะฮะคือแทนที่จะไปหาผู้ชายให้ลูกมันก็คิดจะจับพระนะแกวิ่คิดว่า มันก็ต้องหาวิธีเอาพวกสัปนะสักยบุตรนี่รูปใปรูปหนึ่งที่มีข้าวว่าจะเป็นสามีของลูกสาวแล้วก็เลี้ยงดูลูกสาวได้มันคงได้แล้วก็จิตใจ ย, ยังวกแวกอยู่นี่คงจะกรอบได้ไม่นานนะแกก็ออกมายืนหน้าบ้านมาดูพระเดินมินบัตงแถวดูพิจนานจะรูปแต่รูปแต่รูปเนี่ยก็เรียกว่ามันส่วนใหญ่เนี่ยมันกินไม่ข้าว ก็ดูท่าทางแล้วนี่กรอมไม่อยู่นะจึงเดินมาถึงเจอรูปนั้นทึงยังหนุ่มร่างใหญ่บึกบึนตีนน้ ด, ดูดูการการข่มจีวรการอะไรก่อนท่านเนี่ยมันแสดงว่าอย่างติดสวยงามอยู่มากกัเนกนะ๋ก็เก่งเหมือนกันนะผู้หญิงคนนี้แม่แม่นะฮะคนแม่ ก็เห็นว่าพระรูปนี้ยังยังอ่อนไหวยังติดใจในความสวยงาม<ๆ>ก็เลยกล่าววราววันก็หมายมั่นปั้นมือองค์นี้มันน่าจะกล่อมได้แต่ก็ไม่ใช่ผีพรา อ, อะไรนะฮะคือนิมนต์ไปรับพัฒตาหาี่บปานการตักบาทในยุคนั้นนะฮนะในยุคของ ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือชาวบ้านที่ต้องการตักบาตรเนี่ยจะส่งคนมารับบาตรที่จริงอาหารยังไม่ได้ทำนะอาหารยังไม่ได้เตรียมไว้หรือว่าเตรียมไว้ก็ตามนะแต่ว่าจะรับบาตรก็หมายความว่าก็นำพระเข้าไปแล้วพระก็จะไปรอคอยอยู่ที่นั่นก็เสร็จแล้ว ก็เห็นท่านออกแวกผสมควรนะฮะก็จับทางทางได้ครบอกว่าต่อไปพระคุณเจ้าไม่ต้องมาบิทบาทไม่ต้องไปเดินบิทบาทลําบากหรอกมารับประจําำในบ้านโยมแล้วการท่านก็ตกลงกนะันวันรับไปรับมาก็เห็นท่าว่ามันจะเดินแผนที่สองได้แล้วก็สร้างลูกสาวให้แต่งกายโย ว, วยนรือที่การ จิตใจมังก็แปรผันเนี่ยนะฮะพก็เพิ่งบวชไม่นานทีนี้ก็ทำยังไงแกก็มีวิธีพูดอ่ะกก็เล่า ว, ว่าพระคุณเจ้าที่บ้านโยมเนี่ยมีพร้อมหมดส่วนได้นาทรัพย์สินเงินทองอะไรพร้อมหมดแต่ว่าไม่มีผู้ชายที่จะเป็นหลักของครอบครัวเพราะว่าพ่อของลูกเนี่ยก็ตาย อยู่กันสองคนแม่ลูกมนไม่มีใครดูแลสมบัติครับสมบัตินะฮะไม่จะถึงกันนี่บนในศึกอ่ะก็กลัวกลับาปยังไง น, นะดูๆๆๆะลึกๆว่ากรับาปยังไงแต่ที่นพูดบ่อยๆอ่ะพูดบ่อยๆพระก็ไปตีความพระนำคําพูดเราเนี้ยไปตีความแต่พอดีมันตีถูกนะฮะตีถูก คือบางทีก็อาจจะตีผิดก็ได้นะฮะจะตีผิดก็ได้คือบางทีเป็นเรื่องของศรัทธามันไม่ใช่เรื่องของราคะเป็นเรื่องของศรัทธาตีลักษณะเหล่านี้มันมันมันลักษณะมันใกล้กันเพียงแต่ว่าไอ้จุดมุ่งหมายเนี่ยมันต่างกันคือศรัทธาในเรามุ่งเรามุ่งที่จะให้การทนุบำรุงแก่ รูปนั้นนะฮะแก่บุคคลนั้นแต่ราคาในเราต้องการคือคือหมายความเราต้องการธนุบรุงท่านแต่ตัวงานผลที่เป็นบุญคือเป็นนามธรรมกลับมาหาเราแต่ทีนี้ราคะเนี่ยมันก็ให้เหมือนกันมันก็ให้เหมือนกันหมายความมีการอ่อยเยือกเหมือนกันมีการให้เหมือนกันแต่ต้องการผลที่เป็นรูปธรรมามาตอบสนองเราอันนี้คือคือจุดที่เราเห็นมันผิดแก่ แต่จริงๆแล้วทนุถนอมเหมือนกันเอาอกใจเหมือนกันประดิประนอมเหมือนกันประสานประโยชน์เหมือนกันแล้วมีอะไรรุนแรงก็อดทนไว้ได้เหมือนกันนะฮะวันนถ้าดูตรงนี้เราจะดูไม่ใค้อ อ, อกเหมือนกันว่ามันเป็นราคะหรือเป็นศรัทธาแต่บางทีเราไม่รู้มันเป็นราคะคือแทนที่จะไปยึดติดในตัวธรรมะมันไปยึดติดในตัวของบุคคล หรือจะบอกว่าองค์ประกอบของอนักเผยแผ่เนี่ยฮนะนักเผยแผ่นักเทศน์นักพูดที่ชื่นมาก็องค์ประกอบของคนน่ยนะแต่พอดีมันมันก็มองไปในจุดนี้ว่าถ้าสี่อย่างเนี่ยหมายความว่าใครที่ ท, ที่ครบสี่อย่างในพระรูปใดสี่อย่างนี้ดังระเบิดเปรี้ยงเลยนะคือหนึ่งรูปหล่อสองเสียงดีสามอธิบายธรรมะได้ดีแล้วก็สี่นี่เรียบง่าย ที่เรียบง่ายคือไม่ฉุดฉาไม่บูวาไม่บื้อวาเนียมันคนมันจะเข้ามาคนละทางคนบางพวกนี้ติดรูปนะฮะอย่างญาติโยมบางคนที่แหกกระบวนตามอาจารย์ในเป็นแถวเนี่ยฟังธรรมะไม่รู้เรื่องฟังธรรมะไม่รู้เรื่องมาส่งยิ้มส่งโคกอยู่กับอาจารย์เนี่ยบางทีมันติดเสียงฮะมันชอบเสียง บางทีมันก็ติดธรรมะนะฮะบางคนมันก็ติดความเรียบง่ายครับทีนี้ก็แล้วแต่นะคนติดรูปมันจะเสี่ยงมากนะคนติดรูปจะเสี่ยงมากคนติดธรรมะมันก็ได้ประโยชน์เพราะงั้นเรามาดูกลับไปที่พระพุทธเจ้าเราเราจะเห็นว่าก็มีคนบางคนไปตื่นพระพุทธเจ้าขนาดเอาลูกสาวไปถวายนะฮะแม้แต่พวกนี้มันก็ติดรูปท่านติดรูปท่านแต่นี่คนรล่นใหญ่ในติดธรรมะใช่ไหมติดธรรมะติดเสียง ความเรียบง่ายของท่านพวกนี้มันก็ฆ่ากันมาคนละทางแต่ในสุดเขาก็ได้ประโยชน์จากพระศาสนาคนติดรูปเลยมีปัญหาไม่ไเรื่องนางมคันยาเคยล่ากฟังมันก็ติดรูปจนนี่หลงเจ้าหล ง, ลงแมวหายไปจนถึงวางแผนฆ่า<อ>นางสาวมาว ด, ดีไปจนถึงตัวเองถูกพระเจ้าเทีนลงโทษเผาตายคลอกทั้งประสาทเนี่ยก็เริ่มเป็นา ก, การติดรูป มันเป็นปัญหามันเป็ น, เ ป, นเป็นราคะนะฮะเมื่อไม่มีการสนองตอบมันเป็นโทสะไม่มีการสนองตอบมันจะเป็นโทษะในจุดนี้เราจะเห็นว่ามีลักษณะของราคะวิธีรูปแบบเนี่ยมันเหมือนกับสังคมสังคมปัจจุบันเราเนี่ยฮะแต่นั่นมันมันมันมันจะมีแนวทางธุรกิจจะมาจะมาใช้คํำสรุปว่าย่อให้ยากนะฮะ ให้ความมายุใหยากไปเรืๆวิธีก็จะเห็นว่ามันเดินกับเหมือนกับเคยเล่าเรื่องเรื่องกุมภโกโศกนะฮะเคยเล่าเรื่องกุมภโกโศลเราเห็นว่ามีลักษณะอายุให้ยากหรือเรื่องประสนธรสมุทรเนี่ยมันอายุให้ยากแต่มันตายไปเรื่อยๆไต่ไปเรื่อยๆคือเย็นๆเรื่อยไปนะมาค่ะเราก็เดินลึกไปเรื่อย ๆ, ๆคล้ายๆกับข้าวไข่ไข่กลนที่มันมีอะไรภาพสวยงามเราเพลินอยู่กับภาพเหล่านั้นแล้วท่ามันก็เดินเรืยๆ เนี่ึบมันติดใข้กดเราะนั้นเป็นวิธีการของโลกคือเราจะไปติดใจว่านี้มันเป็นโครงสร้างหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่ารูปแบบในแนวเนี้ยมันก็มีใช้อยู่ในโลกนี้แต่ว่าอะไรเป็นตัวล่อเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะจะใช้อะไรเป็นตัวล่อเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งอาจะใช้รูปใช้เสียงใช้กลิ่นใช้รถใช้ลาบใช้ยศใช้สรรเสริญใช้อะไรใช้ตำแหน่งอะไรต่เป็นตัวล่อ สิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าสรุปรวมเป็นโลกามิตรเป็นเหยื่อของโลกสืบรวมเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของโลกเป็นเครื่องล่กคนล่อคนล่อสัตว์เพราะนัจากวิธีการเหล่านี้พระเองเนี่ยจิตใจที่จริงเมื่อเดิมเนี่ยมันก็ต้องการอย่างหนึ่งทีนี้มันก็อยู่ที่น้ำหนักนะฮะน้ำหนักว่า ในการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆหรือว่าจะขึ้นขึ้นลงลงหรือว่าขึ้นไปพักหนึ่งแล้วลงพรวดลงมาเลยมันก็มีทุกรูปแบบซึ่งบางคนก้าวไปตั้งเยอะแล้วนะฮะก็โดนอารมณ์ยั่วยุจากข้างนอกยั่วยวนจากข้างนอกมันก็ตกลงมาเลย ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคือว่าไอ้ตัวล่อเราอย่าไปคิดว่าต้องต้องเป็นผู้หญิงหรือต้องเป็นผู้ชายหรือต้องเป็ น, เ ป, นเป็นเงินก็ได้เป็นอะไรกไ็อะไรก็ได้นะฮะพวกวัตถุกลามทั้งหลายเนี่ยแต่เขาอยู่ในโครงสร้างเดียวกันว่ามีวิธีการที่ยั่วยาความเรืเร่อยเยเพิ่มความอยากเรื่อยเความอยากในจุดหนึ่งมันก็เกิดขึ้นที่จิตก่อนก็ถ้าไม่มีการตอกย้ำไม่เพิ่มเชื้อก็คงไม่มีอะไรทลายนะฮะแต่มันมีการตอกย้ำบ่อยๆเพิ่มเชื้อไปบ่อย ความยามันจะรุนแรงมากกิ่งขึ้นได้ในจดถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะเสียศูนย์เนเสียศูนย์พระนี่ก็เริ่มจะเสียศู น, นย์นะครับไปเอาแรงนะฮะตัดสินใจไปจากบ้านโยมเลยไปถึงก็เปรืองจีวรเนี่ยนะฮะจีวรดังดีเปลืองหมอไปเพื่อนเนี่ยมันจะสึกแล้วเพื่อก็ตัดลึงหมดเลเอพระเอมอยู่ดีๆจะสึก แต่อาจารย์อุปชาเนี่ยเขาเรียกไปกัลยาณมิตรเนี่ย น, ะ ก, นะก็ชวนบอกอนาจตศึกก็ไปเฝ้าพระพุทธเจา้าซะก่อนดี่รีบศึกไปไหนก็นไปเฝ้าพระพุทธเจา้าโดยอย่างที่บอกว่าจุดดีจุดเด่นของคนในยุค น, นั้นที่ท่านไปกับท่านได้ง่ายเนี่ยคือท่านมีศักจากนะจะแข่งจะอะไรตะไลอะรต่างแต่ว่าท่านมีสักจากของท่าน จะสัจจะนี่ท่านท่านท่านไม่ชิ้งกันนะที่ว่คนเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยคงไม่ใช่ 100% ยเปอน่ย น, นะฮะแต่ที่เราพบเนี่ยเราจะเห็นว่าสัจจะนี่ท่านหนักแน่นมากๆากพระเจ้ารับสังถามว่าทำไมจะศึกภิกษุเพราะอะไรเราก็เล่าฟัางตรงๆรงเลยนะฮะว่าในฌานที่บ้านโยมคนหนึ่งก็เล่ามาทั้งหมดที่เล่าเนะี่ แต่มาติดใจคำว่าสาวเตือนะฮะเพราะมันเด็กเลยกินอายุสิบห้าสิบหกว่าทําไมถึงเรียกสาวเถือยแต่นึกถึงถึงที่บ้านอมาสมัยมาเป็นเด็กๆเนี่ยผู้ชายอายุสักยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี่ยเขาเรียกทวดเนี่ยแล้วก็ไม่มีโอกาสแต่งงานแล้วเขาเรียกทวดแต่ก็ผู้หญิงก็ไม่เรียกผู้หญิงแก่ๆก็ไม่เรียกนะฮะเป็นสาวแก่ๆไปก็ไม่แต่ผู้ชายเนี่ยเขาจะเรียกทวดอายุไม่ถึงสาสิบนะ เย้ยสังสมสิทธิเพื่อนจะเรียกทวดหมดเลยหมายความพวกนี้จบแล้วคือไม่มีโอกาสจะแต่งงานกาแสดงว่าเป็นความคิดของสังคมเป็นการกําหนดหมายของสังคมแล้วก็สื่ต่อมาได้นานหรือไม่นานก็ไม่รู้ทุกวันก็จะเรียกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าสมัยมาเป็นเด็กนี่ได้ยินก็เรียกกันทีนี้ พระเจ้ารับสั่งทํานองคล้ายๆเอาอีกแล้วเลยคล้ายๆอย่างนั้นนะนะอ๋อภิกษุผู้หญิงคนนี้นะเคยยั่วยุนเธอมาครั้งหนึ่งแล้วเวล น, นี้มายั่วยุนอีกล่ะแล้แลเธอจะตกอยู่ภายใต้อํานาจของผู้หญิงคนนั้นอีกคือเบียงเบนประเด็นนะนะประเด็นมันถูกเบียงแล้ว คือมันจากราคะมันเป็นความอยากรู้เจ่าน้ยความอยากเหมือนกันฮะเมื่อก่อนเนี่ยเป็กรอยากจะได้ผู้หญิงแต่ทีนี้มันอยากรู้มันเกิดความอยากรู้ขึ้นมาประเด็นมันเบี่ยนเบี่ยงนะฮะวิธีวิธีการของพทธเจ้าเราจะอย่างที่เคยบอกว่าพระจะศึกติมันมีวิธีเยอะที่ต้งใช้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ารวบรวมไว้น่าศึกษาไว้สำหรับแก้ปัญหาทั้งหลาย ปัญหาเรื่องเดียวกันพระเจ้ญญาใชา้ไม่เหมือนกันมีวิธีแก้ดีแก้ตอนนี้เราเห็นภาพัองความบุุนภาพของความเป็นศาสดากับศาสนิกลายกับสาวกเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันอันเบบยพ่อกับลูกพอลูกมีปัญหาพ่อก็ลงมานั่งปรึกษากันนะฮะคุยกันเอาอีกแล้วเลยบรรยากาศบรรยากาศพุทธสมัยนี่เป็นบรรยากาศของความเป็นกันเอง รพระกับชาวบ้านเนี่ยเป็นกันเองเป็นกนันลียร์และมิดกนันพูะเจ้ากับพระสงฆ์สาวกเนี่ใกล้ชิดกันมากเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดเพราะนความผูกพันความผูกพันยิ่งสูงเดีวผูกพันโดยธรรมะนะฮะโดยธรมยธรมะโดยความเคารพนถือเทอทูนจนถึงก็สละชีวิตแทนได้ ลิสูตั้งหลายก็กราบภูนพระรูปนั้นเองก็ระ ง, งับความคิดนะฮะเพราะจริงความคิดนั้นมาถูกจุดขึ้นแต่ น, นั้นเองมันไม่ใช่เป็นความคิดดั้งเดิมพระเจ้าก็รับสั่งเล่าในนติการนานมาแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลของเศรษฐีมีฐานะมาก ต่อมาพัญญาตายในขณะที่ทิ้งลูกเล็กๆไว้คนหนึ่งท่านก็มองว่าความตายได้เกิดแก่พัญญาของเราต่อไปมันก็เกิดแก่เราต่อไปมันก็เกิดแก่ลูกไอ้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องทิ้งมันไปอย่างช้าเนี่ยตอนตายเราส่วนหนึ่งก็คงต้องทิ้งไปเรื่อยๆ ตรงนี้คือความคิดเป็นเรื่องสำคัญว่าปัญหาในแนวนี้เป็นปัญหาทา้าวบทในโลกมนุษย์นะมันก็เกิดขึ้นการพราดพลากสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาใครจะตายก่อนใครนั้นก็เป็นเรื่องกำหนดลงไปไม่ได้แต่ที่แน่นอนว่าการพลากจากที่มีเราเริ่มมาจากการไม่รู้จักแล้วก็รู้จักแล้วก็รักแล้วก็ร่วมแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็แยกกัน นั่นคือคือสูตรของธรรมชาติเลมันก็เป็นก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ปัญหาว่าใครคิดยังไงตัวความคิดหลังจากเหตุการณ์เกิดเนี่ยเป็นจุดสำคัญว่าทำให้คนบางคนนวิปลาสไปเลยนะฮะหัวตายเมียตายนวิปลาสไปเลยโปวมากพวกตั้งสติไม่ค่อยได้เนี่ยฮะสามีตายนะบางทีก็ซึมเศร้าหายไปเลย บางทีก็หมดอะไรตายอยากไปเลยอะไรแต่ไรเนี่ยมั น, นมันจะมีมีทุกรูปแบบแต่ว่ามีคนบางพวกเนี่ยมันยังคิดอยู่ในกระแสะโลกมันก็ไปอีกแนวหนึ่งว่าคนหนึ่งตายก็หาใหม่คนหนึ่งตายก็หาใหม่ก็ว่าไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในกระแสะโลกแต่ว่าความโศกเพราะการพลดพลากนิดน้อยแต่ในขณะเดียวกันใจมันขวายพาไปเรื่อย ซึ่งก็หาความความทุกข์มันก็เกิดขึ้นดรื่อยๆความคิดคิดแบบประพูธิสรประโรคความตายท่านคงของท่านนะฮะท่านคงรูปร่างเดิมของนั้นพอเจอพวกเรานี้แล้วจะคิดในแนวนี้คิดในแนวที่ว่าแม้เราเองจะต้องตายนะความตายก็จะเกิดขึ้นแก่เรา ตอนเป็นเจ้าชายจิตตะท่านก็คิดอย่างนั้นน่าเห็นคนแก่คนเด็กคนตายท่านก็คิดอย่างนั้นก็ในที่สุดก็ตัดสินใจตัดใจออกบวชแต่ที่นั้นบวชมันทํำยังไงมันมีบุตรบวงพันคออยู่บวงหนึ่งกื อ, อย่ทิ้งมันก็ไม่ได้นะฮะอยอยู่ที่ที่บ้านมันก็ไม่ได้ประเ ท, ทางสวัสดีที่สุดก็คือต้องเอาลูกบวชเสียด้วยนะ อันนี้ก็อีกแล้วก็อยู่ที่มุมมองอีกว่าเราจะเทียบเคียงระหว่างสิ่งที่เราสละกับสิ่งที่เราจะได้เนี่ยอะไรมีค่ามากกว่าคืออันนี้ที่ที่ที่เรามีปัญหามากก็คือว่าเราคิดจะได้ตามที่เราอยากได้พอไม่ได้ตามที่เราอยากได้เราก็ประท้วงนะะคือเนี่ไปอบรมมาที่เมืองรุน กับสีทุ่มกว่าแล้วปรากฏวประทุวงันที่กำแพงเพชรเรื่องราคาเข้าปิดถนนไปเรื่อยนะปิดถนนไปหลายสายพอสรุปพวกขึ้นเหนือนี่จะขึ้นไม่ได้นี่ก็มา็เวาม่าเรามุ่งแต่จะได้เท่าที่เราต้องการจะได้ซึ่งว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันมีทางเลือก ส่วมากพวกตั้งสติไม่ค่อยได้เนี่ยฮะสามีตายนะบางทีก็ซึมเศร้าหายไปเลยบางทีก็หมดอะไรตายอยากไปเลยอะไรแต่ไรเนี่ยมั น, ม, นมันจะมีมีทุกรูปแบบแต่ว่ามีคนบางพวกเนี่ยมันยังคิดอยู่ในกระแสะโลกมันก็ไปอีกแนวหนึ่งว่าคนหนึ่งตายก็หาใหม่คนหนึ่งตายก็หาให ม, นหนกหหม่ก็ว่าไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในกระแสะโลกแต่ว่า ความโศกเพราะการพลัดพรากนน้อยแต่ในขณะเดียวกันใจมันข่ายคว้าไปเรื่อยๆซึ่งก็หมายความความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆความคิดแบบประปูติสัตย์ประโรคความตายท่านคงของท่านนะนะฮะท่นคงรูปร่างเดิมของท่านพอเจอพวกเรานี้แล้วจะคิดในแนวนี้คิดในแนวที่ว่า แม้เราเองจะต้องตายนะความตายก็จะเกิดขึ้นแก่เราตอนเป็นเจ้าชายธิตาถะท่านก็คิดอย่างนั้นน้าเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็คิดอย่างนั้นก็ในที่สุดก็ตัดสินใจตัดใจออกบวชที่นั้นบวชมันทำยังไงมันมีบุตรบวงพันคออยู่บวงหนึ่งคืออย่าทิ้งมันก็ไม่ได้นะะจะอยู่ที่ที่บ้านมันก็ไม่ได้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 คือเนี่ไปอบรมมาที่เมืองดนกับสีทุ่งกว่าประกฏว่ากระท่วที่กำแพงเพชรเรื่องราคาข้าวปิดถนนไปเรื่อยนะปิดถนนไปหลายสายรสารุปรพวกขึ้นเหนือนี่จะขึ้นไม่ได้นี่ก็มา็วาม่าเรามุ่งแต่จะได้เท่าที่เราต้องการจะได้ ซึ่งว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันมีทางเลือกว่าจะเสียสละส่วนน้อยเพื่อส่วนมากแต่นั้นเองนะมันไม่จะได้ร้อต์คือท่านสละสมบัติตอนนั้นในความเป็นเศรษฐีมันก็หมดไปด้วยความมัง่งคั่งความสะดวกสบายในฐานะเป็นเศรษฐีก็หมดไปด้วยแต่ท่านได้เห็นว่าคุณค่าของ จ, จิตใจคุณค่าทางจิตวิญญาณเป็นที่เป็นพัฒนาการทางจิตเนี่ยมันเป็นคุณค่าติดจิตวิญญาณ เป็นพัฒนาการที่สือพบสืบชาติได้แล้วตกแต่งพบชาติได้มีความประนีตขึ้นไปได้แล้วในที่สุดท่านก็ออกวดอาศัยที่ลูกมันเป็นเด็กมันก็ทำอะไรยังไม่ได้นะฮะก็หมายความว่าสอนฝึกปลืออบรมแบบฤษีนะฮะแบบฤษีคือฤษีที่จริงมันก็ มันก็แนวแนวคล้ายเรานะฮะแต่แนวช่วงล่างคือศีลเนี่ยท่านท่านจะมีแค่ห้าข้อบางพวกก็มีแปดข้อแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีห้าข้อเพราะท่านท่านท่านต้องทํามาหากินด้วยนะหรือศีลถ้าอยู่ในป่าท่านต้องหาผลไม้ท่านต้องทําอะไรกันท่านแต่ไม่รักษาศีลมากๆท่านก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่ได้บินทบาแบบพระ แต่บางท่านก็รักษาสีนุบุษด์เราก็ขึ้นไปทางสมาธิอสมาธิส่วนใหญ่มันจะเน้นทางกสินนะหรือสีเนี่ยจะเน้นทางกสินกสินก็คือดูดินน้ํามลมบ้างนมบ้างไฟบ้างน้ําบ้างก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ท่านจะใช้กสินอะไรแต่ส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นกระสินไฟส่วนใหญ่จะเป็นกสินไฟคือเตโชกสินแต่มุ่งในการเพ่ง ก็เราจะเห็นว่าวิธีการของของเรากับของฤาษีเนี่ยคือขั้น้อมันก็คล้ายกันน่นะกองฤาษีเนี่ยท่านมุ่งแต่เพ่งให้จิตส ง, งบอยู่กับไฟแล้วมนเกิดเป็นสมาธิกับไฟนั้นนะ่นะแล้วก็เกิดในมิรตรกันนต่างๆเข้าไปเรื่อยไปก็ตามตามตามแนวของกสินซึ่งเราเองเราก็มาใช้นะฮะพวกเหล่านี้ที่จริงมันมีอยู่ก่อนพุทธกาล พวกแหนกนสินทั้งหลายแต่ส่วนใหญ่ท่านจะใช้เตโชใช้ไฟนะฮะใช้ไฟมันก็คงสืบเนื่องมาจากการบูชาพระอาทิตย์ด้วยคือสิ่งทั้งหลายนี่จริงๆมันก็มีความเป็นมาก็มันยาวนะฮะถ้าสาวลงไปลึกๆเลยมันจะยาวมากแล้วก็ไฟเป็นสิ่งที่มนุษย์จําเป็นจะต้องมีแต่ต้องระวังมากมันไม่เหมือนกระดินงไมเหมือนกระดินกับน้ากระลมนะพวกนั้นต้องระวังน้อยหน่อย แต่ไฟนี่ต้องระวังมากในขณะเดียวกันเราก็ขาดไฟไม่ได้ั้งก็ใช้ไฟผูเ่าไฟในลักษณะแนวคล้ายๆกับกิเลสเนี่ยถ้าเผาไฟคือย่างกิเลสให้มันร้อนมันจะหายอันนั้นก็คือแนวเอาไม่ใช่แนวเพ่งแต่เป็นแนวก่อไฟกันแล้วตัวเองจะไป น, นั่งใกล้ไฟมากคือย่างความรู้สึก ควารู้สึกภายในแห้งนะความรู้สึกมันเป็นนามนะฮะไฟมันเป็นรูปอุตรุดดีเงี้ยนนะ่นซึ่งก็ไม่มีทางที่จะทำได้เพราะเป็นคนละเรื่องกันแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้ไฟคือความเพียร น, นะฮะตรงเรียวไฟเหมือนกันตะปะนะฮะตะปะเรีวไฟคือเผากิเลสให้ร้อนก็ทรงใช้กำว่ไฟเหมือนกันก็เพื่อเป็นสื่อในการพูดกับพู้รุศีว่าถ้า แต่เธอจะเผากิเลสเธอเธอเอาไฟนอกเผาไม่ได้หรอกมันต้องเผากบไฟข้างในก็คือความเพียรพยายามที่จะลดที่จะละที่จะบรรเทาหลจากนั้นถ้าก็ขึ้นไปที่ฌานนะฮะแบบอาราดาบทุบทกตะบดแต่มันจะจบอยู่ที่อรูปฌานอย่างสูงเท่านั้นเองทีนี้พวกนี้มันมันมั น, ม, นมันเหมือนกับเอา ทีโบราณนั้นใช้คำว่าบาลีนะฮะท่านใช้คำว่าศิลาทับย่านะฮะจริงเอาพรหมมาเพลือมอะไรมาทับย่าก็ได้เหมือนกันนั่นแหละแล้วคำว่าภายในใต้ข้างล่างจริงๆมันมีญ้าแต่วันโพร่มาไม่ได้เพราะมีสิ่งมันไปกดทับเอาไว้เพราะภายในใจท่านเหล่านั้นกิเลสมีความสมบูรณ์จึงมีกระบวนการลาร่าฤาษีนะฮะฤาษีเก่งๆที่มีตะบะเดชะต้องการทําลายตาบะที่บ้างต้องการจะเอามา ใ ห, ให้ช่วยดูแลบ้านเมืองบ้างนะฮะเพราะวังคันมีความสามารถมากแต่เข้าอยู่ในป่าเลยเพราะนวันวนคดีอินเดียเราเจอเรื่องในแนวนี้เยอะมีตะบะเดชะจนเป็นที่หวาดกลัวคนทั้งหลายมันก็ต้องส่งคนสาคัญนี่ยนะฮะผกเทปผกคนทสวยงามในเลือกไปอย่างดีไปอยู่ๆนะส่วนมากคือว่ากิเลสประเภทแรกแต่มันสงบในสมาธิคือกรริฉันนะฮนะถ้าเราสังเกตทัตตีสมาธิให้แตกกรรมฉันก็ฟูเลย เป็นวิธีการต่อสู้อย่างหนึ่งไว้จุดอ่อนมาอยู่ตรงไหน จ, จุดแข็งของเขาที่เขาว่าเป็นจุดแข็งเนี่ยคือตัวสมาธิเขาต้องนั่งสมาธิอยู่เรื่อยหรือสีเนี่ยแต่แมงกิเลสมังฝูเริ่มันขึ้นมาไวาชานเสื่อมนะชานมันเสื่อมชานมันต้องต่อโดยสมาธิด้วยนั่งสมาธิอยู่เรื่อเรียกข้าวชานนะี่ยหรือสีจึงอยู่ในด้วยอริยบทที่นั่งในมาอันทรีนั่งจนเท้าไปไม่ได้เลยนะ ทีนี้ถ้าไปเจาะตรงนั้นได้นะฮะไปกระตุ้นตรงนั้นมันก็คล้ายๆก็โยกครอนในจุดเด่นจุดที่มันแข็งนะฮะไปตีปบ่อยๆในสุดมันจะมันจะพังฟังดูอื่นมันก็พังนะฮะกิเลส ต, ตรงนี้พัท่านเองไม่มีปัญหาท่านก็บำเพ็ญเพียรไปได้นะฮะตีต่อมาก็มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่ในเมืองเนี่ยไปในเมืองก็พวกโจรมาปล้นชาวบา้า นอกจากว่าไปยึดทรัพย์สินเงินทองชาวบ้านแล้วต้องไจับตัวคนไปเป็นประกันทีนี้ในกลุ่มคนเหล่านั้นมันมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาเก่งในทางลูกเล่นเยอะนะฮะทีประอบพิธีพูดวิธีโน้มน้าใจิตใจคนในเห็นตามคอยตามเขาเนี่เขาเก่งมากเา็เ ข, าข้าไปหาพวกโจรพูดดีพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้หนูอย่างนั้นนอย่า ง, งนี้ภาคเดียนะฮะ โยมก็ใจอ่อนในการควบคุมการดูแลนะฮะเอาใจใส่มันคลายลงไปคลายก็เป็นพวกเดียวกันเสร็จ แ, แล้วก็ขอไปปลดทุกข์อะไรต่ออะไรก็ทําไปเรื่อยๆนะฮะปลดทุกข์แล้แก่ก็กลับมาจนจนโจนเนี่ยมันมั น, ม, น, ม, นมันแน่ใจว่าผู้หญิงคนนี้ไม่หนีเด็กคนนี้ไม่หนีพอได้จังหวะแกก็หนี ตีนหนมันเดินเข้าป่ามันเยอะแล้วหนีไเลยไม่รู้จะไปไหนก็วิ่งกระเจกิกระเจิงไปถึงเจออาสมของอรุษีแกก็คิดเนี่ยนะนะคิดว่าตอนนี้พ่อแม่ก็ถูกโจรจับไปแล้วไปถึงบ้านเราก็ไม่มีใครใครจะช่วยถมาห์กินะเราต้องย่วยวน อ, อรุษีนี่ไปกระางก็ดีอย่างหนุ่มแล้วนะฮะตอนกระบวทเนี่ยเขเป็นเด็ ก, กอยู่เฝ้าเฝ้าอาสมไม่ใช่ไปถึงกา ออกไปทํางานอย่างพ่อออกไปหาผลไม้อะไรต่างๆเราเข้าไปใช้วิธีการด้่วยวนเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็พูดว่าคุณอยู่ในปา่าอยู่ทําไมคุณดูจะมันมีอะไรอนะันแล้วก็ใช้ป่ากโขนะบโบแล้วก็ยั่วยวนด้วยตัวนอกระยจะเห็นว่าวิธีวิธีที่เขาใช้เนี่ยคือหมายความว่าเขาพอใจในจุดใดเนี่ยเราต้องให้เห็นโทษในจุดนั้นแล้วก็มีตัวเสนอใหม่ ทำไม่ค่อยอยากได้แต่ไม่ค่อยอยากได้วิธีการโฆษณาอะไรอะไรเหมือนกันหมดเลยจะเห็นว่าอยู่ในโครงสร้างเดียวกันสอนธรรมะมันก็อย่างนั้นหมายความว่าต้องให้เ้ามองเห็นโทษในส่วนที่เป็นโทษใช่ไหมแต่ว่าวิธีการโฆษณากับสอนธรรมะไอ้เป้าประสงค์มันต่างกันแต่นั้นเองเพราะการโฆษณานั้นต้องการให้เขาชิงของนั้นแล้วไปซื้อของเาซึ่งว่า ผลจาการพูดคือเขาได้เงินเน่ยนะแต่ทีนี้การการสอนธรรมะที่จริงมันเหมือนกันหมายความมาให้เขาทิ้งตรงนั้นนะ่ยนะแล้วเพื่อไปเอาสิ่งนั้นแต่เมื่อเขาทําแล้วเนี่ยเขาได้คนทำเนี่ยเขาจะได้เองถ้าไม่ทําเขาก็ไม่ได้คนสอนก็ไม่ได้อะไรนะฮะเกิได้สอนได้ได้แสดงความมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยโครงสร้างจริงๆเนี่ยฮะ โครงสร้างจริงๆแต่ว่าไอ้ตอนหลังญาติโยมมาบูชากันตรงกันเทศอะไรอะไรมั น, ม, น, ม, นมันเรื่องของญาติโยมนะฮะโครงสร้างหลักจริงๆไม่มีจ ร, ริงญาติโยมมันก็มันก็คิดอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคื อ, อ, อ ก, ฐฐก็ต้องการจะบฏิจจธรรมเขาต้องการจะทําบุญเขาว่าก็ต่างคนต่างต่างทําบุญนะฮะทำหน้าที่แต่ก็อิงอาศัยกันในกันแต่ว่าโครงสร้างจริงๆเนี่ยไม่มีต้องต้องไม่มีความคิดในแนวนั้นหมายความว่า ให้ด้วยความเมตตากรุณาโดยกรุณานะฮะในกรุณาแต่เมตาก็ให้นะฮะเมตาก็ให้ตกลงว่าพูดด่ ว, วนจนไอเด็กหนุ่มเนี่มันร้อยประสบการนะแกอยู่แกโตในป่านะฮะโตในป่าข้างนอกที่ที่ผู้หญิงก็นํามาเล่าความเนี่ยเกิดเกิดแกจินตนาการเอาเท่านั้นเอง นั่นก็มีอย่างนั้นอย่างนี้ยังรองก็พยายามโยโ ย, ยในแสงสีวิจิตต่างๆทั้งๆที่ตัวเองไม่มีประสบการณ์นะเราไม่เคยเห็นบวชก็มาอยู่ที่ด้ป่าแต่เกิดความอยากนะฮะเกิดความอยากเพราะตัวมากระตุ้นคืออะไรก็คือวัตถุกรรมใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าไขนะ้น่าปรารถนานะ่าพอใจมันก็เหมือนกันมันก็โลกมนุษย์มันก็ท่านั้นเองแต่ปัญหาว่าทํายังไงให้คนรับเงื่อนไขเหล่านั้น แล้วจิตใจเขก็อ่อนไหวก็คล้อยตามไปในสุดฤาษีร้อนเลยเนี่ยแต่ว่าเป็นเด็กดีนะฮะคืออยู่กับพ่อมานานแม่ตายบอกว่าฉันก็อยากจะไปนะแต่ว่าต้องต้องรอพ่อกลับมาก่อนก็ต้องบอกพ่อต้องลาพ่อเดี๋ยวพ่อจะเดตามหาลำบากผู้หญิงกูดันบอกว่าไอ่ หลอกดูสีหนุ่มๆนี่น ง, ง่ายนะแต่หลอกดูษีผู้ใหญ่เนี่ยคงยากเลยนะแต่ถ้าเราข้นอยู่ตรงนี้บางทีอาจจะโดนดูสีจับเขี้ยนอะรก็ได้ดูสีเขี้ยนได้นะฮะพระเขี้ยนอะไรนะดูสีก็เขี้ยนได้แล้วก็รักษาแก่สีหน้าตแต่เองแล้วก็จะเคี้ยนนี่ยนะมืก่อนถ้าเขจะเขี้ยนก็เขี้ยนได้ก็อย่างนี้ละแกนแกก็แกก็กลัวว่าดูสีผู้เป็นพ่อมาแล้วแกจะมีปัญหา แกก็บอกว่าชัดไปคอยอยู่ตอนนั้นนะคอยอยู่ตอนนั้นก็บอกทางจําได้ไหมจำไปคอยอยู่แล้วก็คุณตามอะไรแกจำไม่คออยู่ตอนนั้นก็ตกลงว่าไอ้ฤาษีนี่มันอยากไปฤาษีหนุ่มนี่อยากไปมากๆเลยนะไอ้งานการที่เคยทําเคยเผาฟืนเคยขนน้ําเคยก่อไฟเคยเออต้มน้ําอะไรอะไรเนี่ยมันเลิกหมดเลยนอนส้มเลยนะฮะอาการหนักมากๆอาการหนักมาก ฤษีพ่อมาเห็นเอ้าไม่เป็นงั้นไปละแล้วก็วเตือนว่านี่เนี่ยพาไอ้ ก, กิจการต่างๆที่เอเคยทำนี่ทำไมจึงไม่ทําทําไมจึงมานอนคลุมโปองอยู่ฤษีลูกชายก็บอกตรงๆนะบอกพ่อคือว่าผมมาอยู่ในป่าอย่างเงี้ยผมอยู่ไม่ได้หรอกผมอยากจะเข้าไปอยู่ในเมืองไปพบเห็นคนอื่นเขาบ้างนะตอนนี้ก็อยู่แต่ก็พ่ออะไรนั่นก็เห็นคนคนเดียวเองอยากจะเห็นอะไรตอนนีอะไรต่างๆในโลก ขอให้พ่ออนุญาตให้ออกไปแต่เนื่องจากผมไม่เข้าใจข้างนอกอนะ่ะไม่รู้จะวางตนยังไงปฏิบัติอย่างไงสังคมก็มีขนบธรรมเีมประเพณีจะต้องประพฤติปฏิบัติยังไ ง, ง, ะ อ, ง, ะ ง, ไงอะไรเป็นอันตรายอะไรไม่เป็นอันตรายเนะี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อนั้นมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก็ขอให้พ่อช่วยสอนหนหน่อย เราจะเห็นว่ารุสีนี่ฉลาดมากนะไม่ขัดขืนอะไรเลยตามกันไปสุดกูแล้วก็ตกกลับทีหลังนะ ก, ก, กระตกกลับทีหลังก็กกระตกเบ็ดนะปล่อยสายไปเรื่อยๆไหวไปเรื่อยๆปล่อยมันไปเสร็จแล้วก็ตกกลับมานั่นคือวิธีการฝึกคนไม่ใช่บอกไม่ได้ทำงี้ไม่ได้มันต้องให้อะไรให้เขาเห็นเพราะตอนนั้นภาพที่ผู้หญิงให้เนี่ยภาพดีทั้งนั้น ภาพดีทั้งนั้นเลยที่ผู้หญิงมาแนะนํามาชี้แจงแล้วตอนแต่ว่าจริงๆในภาพสังคมมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เปล่าเพราะฉะ้นท่านก็เอาเอกความจริงอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเผยด้วยมันก็กลายเป็นสองมุมว่าเธอจะเอาตรงไหนตรงนี้มีจริงก็ไม่ใช่ไม่มีแต่ปัญหาตรงนี้ก็มีจริงด้วยแล้วก็ให้ลูกเดตตัดสินใจเลือกเอา ไม่ใช่สั่งนะฮะไม่ใช่สั่งไม่ใช่บังคับตีเป็นปัญหาหนึ่งแง่ของจิตวิทยาในปัจจุบันเนี่ยนะคือบางทีเราใช้เราใช้วิธีการบังคับวิธีการสั่งนะฮะเป็นตัวเราเป็นประกาศสิทธินะ์คือที่จริงแทนที่จะเอาลูกเป็นฐานเนี่ยเอาเราเป็นฐานนะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนู้นเราก็ถือว่าเราดีดีสมบูรณ์แล้วลูกวงก็เกิดต่อตน วิธีการเหล่านี้จึงต้องเลือกใช้นะฮะว่าใช้ในกรณีอะไรแล้วก็ใช้ในเวลาใดถ้าปัญหาบางระดับเนี่ยแน่นอนนะคือคือว่าลุกอ่อน้วดประสบการณ์เราอาจจะสั่งห้ามไปเลยก็ได้มันมีเหตุมีผลกับมันแต่ว่าไม่ใช่ห้ามทุกเรื่องนะฮะไม่ใช่ห้ามทุกเรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราเห็นว่าเป็นปัญหาแต่ใจบางฝังลึกเสร็จแล้วไปลือไปลิบแล้วนะฮะ ไม่กินไม่ไ ม, ไม่ไม่นอนแล้วคลุมโปรงแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวห้ามปลาไม่ได้ปเดี๋ยวก็ยุ่งใหญ่เลยฤาษีตั้งก็ไหลนะฮะไหลตามเหมือนเหมือนพระเจ้าไหลตามเมื่อกี้นะพระเจ้าก็ไหลไปเลยอ้าวซื้ก็ซื้อก็เล่าไปเรื่อยๆก็บอกว่าเมื่อลูกออกไปจากป่านะพ่อเขาไม่ได้อยู่ด้วย วันลูกก็ต้องระมัดระวังในสี่เรื่องคือหนึ่งก็อย่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นพิษสองอย่าตกเหวสอย่าติดในเปลือกตมนะฮะสี่อย่าเข้าใกล้าอาสรพิษถ้าเมื่อต้องเข้าใกล้ต้องระมัดระวงังเห็นไหมเป็นวิธีวิธีว่าพูดไปเนี่ย ไม่รู้อะไรมันเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจว่าอะไรที่พ่อพูดนี่พิษนี่คืออะไรเหวคืออะไรนะเบอตรต้มคืออะไรและอสศรพิษมันคืออะไรเป็นวิธีการเขาเรียกว่าดึงผู้ฟังเข้าสู่แนวนะดึงผู้ฟังเข้าสู่แนวคือตั้งตั้งปัญหาให้มันเกิดเชิงเงินสนเทศขึ้นมาเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เขาใช้ เพื่อให้คนฟังในคิดตามเรื่องนี้แล้วก็เห็นมันทั้งกระบวนการน่ยแต่แล้วลูกก็บอกว่าที่พ่อพูดเนี่ยผมไม่เข้าใจอไม่เข้าใจว่าพิษคืออะไรไม่เข้าใจว่าเหวือคืออะไรเปลือกตลอมคืออะไรแล้วก็อสราพิษคืออะไรก็ขอพ่อช่วยอธิบายหนะ่อยพ่อก็อธิบายนะว่าเวลาลูกออกไปเนี่ยคือออกไปเป็นดาบทนะไม่ใช่ศึกนะฮะออกไปเป็นดาบท ต้องพูดเราคบพูดกันนักบวชนะตอนนี้ที่จริงก็ทั่วไปกับชาวบ้านนะฮะทั่วไปกับชาวบ้านดยแต่ว่าคนพูดนี่คิดจะออกไปทั้งเป็นนักบวช ด, ด้วยประการแรกก็คือมันบอกว่าเมื่อลูกออกไปเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งเรียกว่าสุราเป็นสิ่งเสพติดนะมีรสหวานแล้วก็อร่อยกลิ่นหอมด้วย เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะขาดสติจะควบคุมตัวเองไม่ได้จะเกิดโรคจะประพฤติกระทำในเรื่องดีหน้าอับอายต่างๆแต่ก็ทุ่งชี้ชี้โทษของสุราให้เห็นพอลูกจะออกไปข้างนอกเนี่ยลูกอย่าไปเกี่ยวข้องกันนอย่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสียติดพูดง่ายๆนะสอนลูกให้เว้นในสิ่งสเรื่องอย่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสีติด ประการต่อไปเนะอย่าลืมว่าพวกเรานักนักบวช น, น, นะนะเดี๋ยวโยมไหวคือเรื่องผู้หญิงนะ mm. เหวก็เหมือนกับผู้หญิงที่จริงถ้าผู้ชายถ้าพูดกับผู้หญิงก็คือผู้ชายนะแเราเห็นว่าพวกนี้มันเหมือนกับเหวคือตกไปแล้วขึ้นได้ยากในห่วงของความรักพ่วงรักเหว่ลึกนะนะคือหมายความว่าอย่าตกแล้วกันนะตกแล้วจะขึ้นยากมากมันมีหลุมบ่อขวักนะมันมีอันตรายอยู่ในที่มืดเนเยอะเลย เหวเนี่ยเราเห็นเฉพาะปากเหวแต่ก้นเหวเราไม่เห็นอุปมาดีมากนะแต่เหวบางทีที่พระเจ้าอุปมาอุปมาเป็นนรกนะนรกคำว่านรกจริงแปล ว, ว่าเหวอันนี้ก็คืออุปมาหมายความว่ามันมันมีปัญหาเยอะที่เราไม่รู้แล้วก็ลึกขนาดไหนเราก็ไม่รู้แดีวมาลงไปอยู่แล้วเนี่ยมีอันตรายอะไรเราก็ไม่รู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนี้มันเป็นอันตรายต่อพรหมจันท์แต่จะเห็นว่าศีลพอถึงศีลพรหมจันทร์แล้วเนี่ยมันทั้งผู้หญิงผู้ชายนะที่จริงตอนนี้ปกปิบตรีเขาพูดกับผู้ชายแต่นั้นเองศีลพรหมจันทร์แล้วผู้หญิงก็เป็นอันตรายของผู้ชายผู้ชายก็เป็นอันตรายของผู้หญิงนะแต่หมายความว่าไม่ได้ห้ามการเกี่ยวข้องคือเกี่ยวข้องในเรื่องอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ว่าแต่เกี่ยวข้องในเรื่อง เรื่องโลคียุวิสัยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็หยุดหมดนะฮะบล็อกหมดเลยรูสงรูษีนี่ตกเลยนะฮะไม่ว่าใครก็ตามทั้งทั้งเป็นนักบวชหญิงนักบวชาก็สีก็แตกหมดเลยก็ให้หลีกเว้นในเรื่องเหล่านี้นะอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปปลูกพันธุ์ในโดยอํานาจของกามราคโดยเรื่องืไม่ว่านะโดยอำนาจของกรมรา แต่ทีนี้จุดจริงๆเนี่ยของฤาษีเนี่ยอย่างที่บอกว่าท่านกลัวต่อจุดแตกนะฮะจุดแตกก็ตอนตั ว, ต, วตัวทำลายสมาธิคือกรรมฉันเพราะนั่นจะเน้นในเรื่องนี้มากพวกตาประสินีตาประสินีก็คือฤาษีหญิงไงนะฮะก็เหมือนกันน ะ, ะ่ยนะและ้วภิกษุณีเราอะไก็เหมือนกันทั้งหมดอ่ะจริงๆวันก่อนีนไปบรรยายเรื่องพระวิัยบิดกที่องค์การปสลอนะฮะที่สุคุมพิษ ซอยหนึ่งสองสมก้บรรยายพระวินัยบญก์ไมยมผู้หญิงประมาณทั ก, ก, ก, ก, กแปดสบ์ก็ก็ก็ก็แปลกที่ว่าสนใจเรื่องพระวินัยเบกที่จริงมันมันไม่มันมันเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยคุนคือเขาไม่ค่อยออกมาพูดเนี่ยนะฮะเราพูดกันในวงการพระอาชาบ้านเองก็ไม่ค่อยอ่านแต่เขา พูดไปแล้วก็พูดโปรยไนไปโกมันมี8ดเล่มนะฮะพูดไปแค่สี่เล่มนั่นเองมันมันท่านรวแ8ดเล่มเวลาขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ต้องรู้เรื่องกั น, น, นเลยก็ต้องไปพูดใหม่ทีนี้ปัญหาตรงนี้เราพอมาถึงศีลพิกษุณีเนี่ยมันพิศีลพิษุณีมันมีสามร้อข้อศีลพระมันมี227ร้อยยี่ข้อนะฮะมันก็ตั้งปัญหาว่าทำไมพุทธศาสนาเนี่กฎขี่ทางเพศสังเกตผู้หญิงยังไงทําไมถึงมาสร้างวินัยบังคับไป้ตั้งเยอะ ที่จริงไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะมันเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงเท่นันมันเกี่ยวกับเพราะท่านเป็นผู้หญิงวินัยบางข้อซึ่งพระไม่จำเป็นนะฮะพระเดินไปไหนคนไหน เ, ออเดินไปไหนคนเดียวได้พิษุณีห้ามเดินพิกุนีห้ามเดินไปคนไหนคนเดียวไม่ได้พระสามารถจะข้ามเรือตรงไหนก็ได้พิษุนีข้ามเรือคนเดียวไม่ได้กลัวอันตรายจากน้ากลัวอันตรายจากคนเรือ เห็นหเราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรคือว่ามันเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยนะลูกหญิงกับลูกชายเนี่ยลูกหญิงก็กวดขันของลูกชายเท่านั้นเองเพราะภัย อ, อันตรายมันเกิดขึ้นง่ายแล้วก็พยายามยกตัวอย่างอะไรจะโยมดูเพราะเวลานี้คนรุ่นใหม่เนี่ยพยายามจะโยมตีจุดนี้ว่าพุทธศาสนาการกดขี่ทางเพศรังเกียจและอิทธิมาลาังพรหมจรรย์ยัตสะที่ว่าเนี่ยฮะผู้หญิงเป็นอันตรายของพรหมจารีเนี่ยมีคนมาโจมตีมากนะ คเราจะเห็นว่าเราพูดในกรณีนี้มันไม่พูดในกรณีอื่นก็ไม่อ่านให้ดีไม่อ่านให้ดีเขาไม่ได้พูดในทุกกรณีเพราะจริงๆศาสนานี้มันสืบต่อมาได้เนี่ยก็เรียกว่าผู้หญิง 80% เซนี่ยนะที่รักษาศาสนามาได้ในผู้หญิง 80% ดมาที่ไหนก็ตามผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอยู่ตลอดนอกจากในคุกในค่ายทหารกับในวัดน่ยนั้นนะฮะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนอกากนั้นผู้หญิงก็มากกว่า เพรตรงนี้ท่านยึงสอนว่ามันเป็นเหวจิตที่มันมีความรักความผูกพันที่โลกนิทเขาบอกว่ามีบุตรบวงหนึ่งเก้ยวพันคอสัผูกประทาครองไว้พันยาเยี่ยงเบื่อพอรึงรัดมือนาเนี่ยสามอันเนี่ยเนี่ยขี้เกียจตายและเกียจตายไปไหนไม่ได้มันก็ตกเหวแล้วตรงทางที่มันมันไม่ได้เพราะตรงนี้ท่านยึงสอนว่ามันเป็นเหวจิตที่มันมีความรักความผูกพัน ที่โลกก น, นิทเขาบอกว่ามีบุรบวงหนึ่งเก้วพันคอสัผูกปราทาครองไว้พัญญาเยี่ยงเบื่องพอรึงรัดมือนาเนี่ยสมอันเนี่ยเนี่ยขี้เกียจตายแล้วเหยียดตายไปไหนไม่ได้มันก็ตกเขวแล้วแต่ทางที่มันมันไม่ได้ผูกเป็นเชือกจริงๆแต่มันผูกใจนะนั้นผูกไว้ที่ใจมันโยงไปไม่มีที่สิ้นสุดนะเราจะเห็นว่าไม่ได้ผูกตามกันมาแต่มันผูกไว้จุดนั้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็โยงกันอยู่ ในอากาศนั่นแหละมาเห็นเส้นสายโยงแต่จิมันโยงอย่างแรงมากเพราะทรงอุบมาตรงไม่ใช่ทรงอุบมานะฤษีว่าฤนะศษีถ้าว่าเป็นเหวมองจากฤษีนะฤษีมองนะแล้วก็สอนในลูกนี่งดเป็นประการต่อไปก็คือเปลือกตมนะฮะเปลือกตมเนี่ย มันเคยได้ยินที่ที่เคยพูดเรื่องช้างพระเจ้าปเสนิกุศลที่ตกลมลมตรงนั้นท่านเรียกว่าเปื่อยลมคือกามคุณลเลแต่ในที่นี้ฤาษีท่านบอกว่าได้แกล่ลาบสักการะการบูชาการยกย่องเจ้าบุคคลทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเปื่อยลมเปื่อยลมคือคือว่าติดแล้วมันล้างยากใช่เปื่อยลมติดลงไปแล้วล้างยากแต่และอย่างเนี่ยฮะมันมันมันมันมแปดเปื้อยอย่างนั้น น, น, น, น, น, น, น, นนะ่ย ลาบสักการะนี่ก็เสียงนะคนที่คลุกคลีกับลาบสักการะมากนี่จะเสียงมากเพรา ะ, ละลบห ล, ลบก็ลบหลบเียนะไม่จำเป็นนะฮนะไปไปไหนจะต้องมีคนกรลบน้บถือมากจะต้องคนมีกราบจนไม่ต้องมาทำอะไรนะลาบสักการะชื่อเสียงลาบสักการะชื่อเสียงสรนเสริญแล้ว ก, ก็การบูชาในตระกูลทั้งหลาย เพราะว่าสังคมเนี่ยมันมีความเป็นเราเป็นเขาเราจะเห็นว่ายกตัวอย่างว่าพระที่ที่ที่ที่ทททมีลูกศิษย์มากมเนี่ยฮะเป็นเจ้าข้าเจ้าของมั่วไปหมดเลยตัวเองเนี่ยไม่เป็นตัวงตัวเองนะฮะแล้วลูกศิษย์ยังแย่งกันต่างหากอีกยังทะเลาะกันต่างหากอีกไปถวายอาหารก็ต้องไอ้นี่ก็น่ั้นน่าชันน่าน่นาันอาจารย์เอาใจลูกศิษย์ทุกคนน่าันทุกคำแล้วก็ตายไปเดี๋ยนะไม่ต้องไม่ต้องอยู่อะ่ะไอ้นี่ก็คือก็คือลักษณะที่มันมันมันไปสร้างปมให้เกิดตัวเองมาก เพราะฤษีท่าบอกเหมือนก็เปลือกตุ่มเหมือนเราตกไปในเปลือกตุมมไปนะมันไม่ถึงกับเหวอันมันขึ้นง่ายกว่าเหวไหน่อยเเหมือนก็เปลือกตุมที่เราตกลงไปแล้วเราขึ้นมาได้ยากแลี้ยวกาดที่จะแปดเปื้อนเนี่ยแปดเปื้อนได้ง่ายเพราะว่าในท่ามกลางลาภสกุลชื่อเสียงที่เราได้มันก็มีคนริษยานะมีคนริษยามีคนแข่งดีในขณะที่มีคนชอบเราเพิ่มขึ้นเนี่ยมีคนชังเราเพิ่มขึ้นตามมาันด้วย บริษยาพวกแข่งดีทั้งหลายเนี่ยฮะมันจะมาสร้างปัญหาทีนี้สําหรับผู้ที่ฝ่ายสงบแบบฤๅษีก้าท่านผูดฤๅษีนะฮะแล้วไปยุ่งเกี่ยวกับผู้เปิดกรมหล่านี้ก็จะมีอันตรายอันตรายต่อตัวพรหมจันทร์นะฮะท่านถามอันตรายต่อพระหมจันทรย์หมายความว่าความคิดของฤๅษีหนุ่มที่จรงิงยังไม่เขาเข้าใจอะไรลึกซึ้งนะฮะท่านก็คิดว่าที่ท่านจะออกไปเนี่ยท่านก็เป็นฤๅษีนะเป็นฤๅษีออกไปฤๅษีนะ การต่ไปอสรพิษอสรพิษนั้นก็คือท่านสอนให้ระมัดระวังนะท่านสอนระมัดระวังเมือเ่อมีการพูดถึงพระราชาในยุคในสมัยนั้นเพราะพระราชาเนี่ยเมื่อเราต้องเข้าใกล้ต้องเกี่ยวข้องจะต้องระมัดระวังก็ท่านกริ้วขึ้นมาท่านตัดหัวได้เลย เหมือนหองเต้จีนเอาไปตัดหัวเลไม่บ่าอะไรนิดเดียวแล้วเอาไปตัดหัวซะแล้วตัดหัวกันง่ายๆนะคนสมัยนะั้นในตัดหัวกันง่ายๆเลยแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องเกี่ยวของเพตอนระมาระวังนะมาระวังให้ดีนี่เมืองกับอาสาพิษแล้วก็ห้ามเข้าใกล้นะฮะอยากใกล้ระยะห่างนักอยากได้นักอยาห่างนั ก, น ก, นกสมัยพุทธกาลเองนะฮะ การเข้าวังเนี่ยพระเจ้าประเสริฐนกุศลนิมนต์พระรับบาทในวังประจำพระหลบกันนะลบก็เป็นแถวเลยเดิที่จะอยากเข้าวังเนี่ยมันหลกก็เป็นแถวเลยปุโรธาเนี่ยพระเจ้าต้องส่งต่อมาคราหนึ่งเนี่ยต้องต้องต้องเอาไปโอวาทธรรมะแก่พวกภายในทั้งหลายในวัง พระเศนิกศลก็มีแต่ น, นั้นก็นางวัสสาัติยาก็มีมีมเหสีอยู่สองสามองค์นะฮะเราขอให้พระไปสอนไดวังผู้เจ้าต้องให้พระอานนุ์ไปเพราะพระอานุนท่านเป็นเจ้านะฮะอนุนท่านเป็นเจ้าและท่านเป็นพระสวด บ, บันและท่านรู้ธรรมเนียมในวัง มันอาจจะผิดตัวนั้นผิดตันี้เอาไปผิดธรรมเนียมผิดราชประเพณีผิดสถานที่มันยุ่งหมดเลยยุ่งหมดเลยวันทานที่ดีที่สุดก็คือว่าต้องระมัดระวังเพราะสิ่งนั้นอาจจะเป็นอันตรายได้ง่ายตกลงว่าก็มีอยู่สี่เรื่องทีนี้ยังสอนต่อไปอีกสอนต่อไปอีกตรงนี้ก็น่าดูแล้วนะสี่เรื่องนี้ก็จะแทบตายแล้วเนี่ย รักษาตัวยากแล้วนะฮะเป็นฤาษีอยู่ยากครับแล้วท่านก็บอกว่าเมื่อเราจะไปในบ้านนะฮะเพื่อบิณฑบาตเพื่อพิคขาจารนะ์นะบิณฑบาตในบ้า น, นต่างๆมันต้องเว้นอัคโครจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปห้าแห่งห้าแห่งมันก็มีอะไรบางมันก็มีซ่องโสเวนีนะมีซ่องเซเฟนีมี เสาเทือ้อนะ่แล้วก็มีร้านชุรามีโรงมยาบารัฐมีบ่อนการพนันอะไรแบบนี้นเนะสียหายทั้งนั้นเลยนะสี่เรื่องเนี่ยหาเรื่องเสียหายต่อพระมหิดจันเนี่ยนะให้หลีกเว้นเรื่องเหล่านี้คื อ, อยาฆ่าไว้อโครจรคือว่าไม่ควรไปโครจรก็คือสถานที่ที่ควรไปอโครจรคือสถานที่ที่เราไม่ควรไป เพราะไปบางอย่างเนี่ยมันสำหรับคนบางคนเนี่ยฮะมันเสื่อมเอาอย่างญาติโยมเนี่ยฮะญาติโยมสมมติว่าเข้าไปร้านเหล้านี่ก็เสียแล้วนะฮะ อ, อะไรว่าออกจากวัดไปไนั่งเข้าเข้าไปร้านเหล้าไปทําอะไรเห็นไหมว่าคนบางคนในสถานะนี่ไม่อํานวยให้ไปไปเฉยๆยังเสื่อมราศีแล้วไม่ต้องไปต้องไปทําอะไรนะเข้าไปเฉยๆก็เสร็จแล้วอย่างพระข้าวบอนนั่งเงี้ยนะฮะ ขาไปเยี่ยมใครก็ได้นะฮะแต่ว่าเสียเลยฮะชาวบ้านเขาไม่เขาเขายอมรับไม่ได้เพะนั้นพวกเนี้ยเรียกว่าอักโขจอนสมบัตคนระดับที่เป็นนักบวชเนี่ยไม่ควรไปเพราะแต่ละอย่างมีปัญหาทั้งนั้นแล้วก็เวลาเกี่ยวข้องอะไรกับใครเนี่ยก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังท่านก็กลับไปว่า คือบางทีก็รับบาตรเนี่ยนะวินัยก็มีนะวินัยก็มีวินัยของพระเราก็มีว่าเวลารับบาตรเนี่ยห้ามจ้องดูหน้าทายกห้ามจ้องดูหน้าชา บ, บ้านนี่ยนะต้องดูเฉพาะในบาตรแต่ในมองดูหน้าทายกปรับบาตรอะเปจ้องดูหน้าเขานะไอเห็นมันก็เห็นเนี่ยนะเห็นก็เห็นก็ยืนก็คนตักบาตรกับคน รับบาดก็สูงสูงบพการนี่ยมันก็เห็นนน่แน่แต่ไม่ใช่ไปจ้องดูต้องจ้องดูในบาดตาต้องต้องหลบต่ำต้องหลบตาต่ำออก ม, มาดูในบาดนั่นเป็นวิธีป้องกันควบคุมอารมณ์ตัวเองนะฮะเพื่อไม่ให้ไปรับรู้โลกของสัมผัสมากเกินไปลูกชายพอเจอไม้นี่โอ้โหภูเขานะ่ยภูเขา นี่คือวิธีวิธีวิธีวิธีที่คุณจะเห็นว่ามันซ้อนนะฮะคือซ้อนกันคือสรุปพร ะ, พระท่านก็บังคิดกลับมาว่าถ้าเธอออกไปเธอก็จะเหมือนกระดาษบดไปเนี้ยเธอจะต้องระมัดระวังเรื่องพิษระมัดระวังเรื่องเปลือกตมงระมัดระวังเรื่องเหวระมัดระวังเรื่องอัตราพิษแล้วก็ระมัดระวังเรื่องโคจรทั้งหลายบูปนหาดารพันะ เอาเล่า น, นีทานมาสอนคนแต่ว่าเราจะเห็นว่าตัวเอกเลยกลายเป็นทองตัวตัวหนึ่งคือน้องก็มาคิดว่าเออเราคงก็คงอิริบเดียวกันนั่นแหละนะถ้าไปเจออ่เพราะอะไรเพราะว่านั่นคือนักบวชอันนี้ก็คือนักบวชเป็นนักบวชด้วยกันแล้วจะออกไปสู่โลกด้วยกั น, อ, น, น อ, ก อ, อ, กกอ้นนั่ก็ออกไปสู่โลกอันนี้ก็ออกไปสู่โลกโลกมัอยู่ในโครงสร้างเดียวกันเป็นวิธีการสอนที่นิมนวลนะฮะ แล้วก็มองย้อนกลับทีนี้ปัญหาสำคัญว่าคนมองเนี่ยก็จะมองได้หรือไม่เพราะจริงๆพวกอารมณ์เหล่า น, นี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันไม่ได้เจาะจงนักบวชเพียงแต่ว่าถ้าชาวบ้านเนี่ยเรามัดระวังหน่อยได้ไมเรามัดระวังเรื่องพิษหน่อยได้ไหมเรามัดระวังเรื่องเหวหน่อยได้ไหมเรามัดระวังเรื่องปึกตมหน่อยได้ไหย มาจนถึงกาวิ่งเต้นแข่งขันให้สิ้นบนเพื่อได้ยศได้ตำแหน่งอะไรเนี่ยมันมันมั น, มนจุนจ้านมันน่าเกลียดนะเรามาระวังไดหน่อยได้ไหมพึกเนี้ยแล้วเรามาระวังอธรพิษหน่อยได้ไหมหมายความว่าเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตนะให้เรามาระวังคือไม่ได้จอะจงราชาคำว่าราชาไม่ใช่ใหญ่โตอะไรสมัยนั้นนะนะเราดูราชาบางองขนาดกำนันทุวันนี้นะ ในอำเภอแต่มันเมืองเล็กนิดเดียวนะเมืองเล็กนิดเดียวประชาชาเนี่ยก็เมืองเราประเทศเราเราจะเห็นว่าเมืองสิงห์เนี่ยเมืองพรมเมืองอินเมืองสิงห์เนี่ยจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยก็จ้อยร่อยอ่ะมีเมืองตั้งสีห้าเมืองบังคือแสดงเมืองตัวไหนนะไม่ได้ใหญ่อะไรอ่ะปราชาทั้งหลายเนี่ยเฮ้มีอะไรทุกวันอินเดียเนี่ยเขาเรียกมาราชามันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเป็นเศรษฐีที่ดินนต่นั่นเองฮะมันเศรษฐีที่ดินแต่นั้นเอง มีที่ดินมากนะฮะสะสมที่ดินไว้มากบ้านจ่องก็ใหญ่กว่าคนอื่นหน่อยาราษนะเขาเรียกมหาราชนะมาราชาเยอะเลยนะอีเดียวยังอยู่เยอะแต่ว่าโดยสถานะทุกวันแล้วเนี่ยคือเศรษฐีที่ดินนะมีที่ดินแล้วก็มีธุรกิจต่างๆมากก็ต้องมีลูกน้องมีบริวาร น, นะนะเพราะงั้นก็สรุปว่าคนที่มียศมีอำนาจเนี่ยมัการเกี่ยวข้องกับคนเหลนี้ต้องระมัดระวังอาจจะ เป็นภัยเป็นอันตรายแล้วตกเป็นเครื่องมือก็ได้ง่ายนะก็ใล้ๆกับพว ก, กอะไรอะพวกมือปืนรับจ้างพวกรักขายนักเลงหัวเจ้าพ่อวัวไม้ตั้งหลายนะฮะเราเราลองฟังข่าวข่าวข่าวข่าสังเกตดูข่าวสือพิมพ์เนี่ยครมันก็เริ่มจะไปยอมสยบเขามอบกายถวายจีวิตกาเขานะฮะแล้กันในที่สุดก็ตัวเองก็ตกเป็นเครื่องมือ ในการแก้แค้นไปเรื่องส่วนตัวของเขานะฮะแล้วกลายเป็นมือปืนผู้บงการอยู่เบื้องหลังก็คือเจ้าพ่อแต่เจ้าพ่อสาวไม่ถึงกันสาวไม่ถึงตัวเองก็ตายแทงคนเหล่านี้งั้นจริงๆโครงสร้างสังคมออยางเหมือนเดิมปัญหาเหล่านี้คือยังเป็นปัญหาอยู่แล้วก็จะเป็นปัญหาตลอดไปเพียงแต่ว่าสังคมโลกเนี่ยเรมามัตรหวังนั้น แล้วโครจรคือสถานที่ทั้งหลายที่ไม่ควรไปเดี๋ยวนี้มันคือไม่ควรไปอยู่ทุกแห่งไม่ควรไปสมัยกี่พันปีมาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ควรจะไปนะเพราะว่าสร้างปัญหากระตุ้นให้เกิดปัญหาสารพัดแล้วคนที่อยู่ในสถานะสูงสูงแล้วนี่กลาใกล้ไม่ได้เลยนะเดินผ่านหน้ายังไม่ได้เลยแต่เดินผ่านหน้าค่อนข้างลําบากนะเพราะว่าแม้แตข่ข้งวัดวรเองยังมีบามีครับอยู่ จะไปตรงไหนมันคงจะต้องเดินผ่านนะฮะแต่ว่าเดินมันคงจะต้องเดินผ่านแม้แต่ขนาดสมมติว่าใครไปยืนร อ, ร, อรถร ถ, รถเมย์อยู่ตรงนั้นนะเพื่อถ่ายภาพติดบาติดครพระตะกงเงยโง่สวยแล้วนะไม่รู้เรื่องนะั้นไอ้นี้ก็คือก็คือก็คือคือลอกก็คือลอกเราจะไปคิดว่านี่นินทานมันได้จริงมันไม่ใช่นิทานมันเป็นลีลาชีวิตในโลกมนุษย์เนี่ย ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับดันั้นดาบทตนนั้นก็ต้องระวังพระรูปนั้นเองก็ต้องระวังแล้วเราเองนี่ก็เหมือนกันนะฮะมันก็ยังเป็นเหมือนที่เหมือนที่ดูสีท่านสอนนั่นแหละโลกก็ในที่สุดจบลงโดยพระรูปนั้นก็ไม่เจอก็เอาแล้วเห็นไหมไอ้ลูกชายนี่ดูสีนี่ก็ไม่เข้าป่าแล้วไม่ใช่ไม่จะออกจากเมืองแล้วไม่เอาแล้วพ่อไอ้อย่างงี้ไม่ไม่ไหวหเราอยู่ที่นี่ดีกว่า ไอส้สอย่างนี้เพ่อว่าขั้นต้นผมก็แย่แล้วยังเว็นแถมอะไรตัวมีอะไรอีกอึงเยอะไอ้โจร น, นั่งห้าอะไรแต่ไหนนึงแถมอีเยอะเลยไม่เอาแล้วตกลงไม่ไปนะเห็นไหมจบลงด้วยไม่ไปฤาษีก็ไม่ไปมันก็ได้ตัวอย่างนะพระเองต้องกึกเคืองว่าขนาดฤาษีก็ไม่ยอมแพ้เราเราเป็นหนึ่งพระเรายอมแพ้ได้งไงเราก็ไม่ไปด้วยไม่สึกด้วยนะในสุดก็บรรลุมรรคไปมาทรรโดับปัาแล้วพระเจ้าก็ทรงสรุปว่า มันก็มีคนในสาสคนเนี่ยนะฮะดาวบทในครั้งนั้นนะ่ะผู้หญิงคนนั้นนะผู้หญิงคนนั้นก็คือผู้หญิงคนนี้เห็นไหมมันมันติดตามกันมาในต่างๆัแล้วก็ดาวบทลูกดาวบทเนี่ยฮนะก็คือพระพิสุรุปนี้แล้วก็ตัวฤาษีก็คือพระพุทธเจ้าก็คือเราตถาคก็มันก็มีคนอยู่สามคน นั้นคือลักษณะทางสังสาราวัตรที่เราจะเห็นว่าคนที่เคยอะไรก็บรรกรมาบางก็ผูกพันกันด้วยด้วยจิตวินดาณนนะทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะก็มาเกือ้อกูลการมาล่างผลาการก็แล้วแต่นี้ก็ทําให้เราได้คติในหลายเรื่องจากจากฉาดกนะเพราะว่าแนวชาดกที่จริงเป็นแนวะที่น่าศึกษาแต่ว่าเราจะไปคิดมากสัตพูดได้พูดไม่ได้จริงไม่จริงไอ้นั่น ม, มันกันเละเทะแล้วนะฮะไม่เข้าใจคิดนะ่ย แต่ถ้าเราหาประโยชน์แล้วจะหาประโยชน์ได้มากแต่วันนี้ก็ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเป็นเก็ดงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาชน็ชวนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านถือ